ا إ และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสวลหรและเขาปฏิบัติงานที่ดีและกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม และความดีและความชั่วนั้นหาได้เท่าเทียมกันไหมเจ้าจงขับไล่ความชั่วด้วยสิ่งที่มันดีกว่า แล้วเมื่อ น, นั้นผู้ที่ระหว่างเจ้ากับระหว่างเขาเคยเป็นอริกันก็จะกลับกลายเป็นเรี่ยงมิตรที่สนิทสนมกันและไม่มีผู้ใดได้รับมันคุณธรรมดังกล่าวนอกจากบรรดาผู้อดทน และจะไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากผู้ที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวงว่าอิมานกมินัชัยนซกฟัสตดบิลลา์อินนฮูวมอลมและหากว่าการยุ่ยแย่ใ ด, ดๆจากชัยตอนมายุ่ยยุ่เจ้าก็จงขอความคุ้มครองจาก อ, อัลลอฮฺเถอะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือการมีกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พวกเจ้าอย่าได้กราบสูยูดให้แก่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่เจ้าจงกราบอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพวกมันและหากพวกเจ้าจะเคารพพักดีแด่พระองค์เท่านั้นฤฤฤ แต่ถ้าหากพวกเขาหญิงญาโสบันดาผู้ที่อยู่หน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าคือมาลัยกะก็จะแท้ซองสะดุดีพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวันโดยที่พวกเขาจะไม่เบื่อหน่ายเลย ت ت ي ى และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพรม คือเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้งเมื่อพระองค์ทรงหลั่งน้ำฝนลงมาบนมันมันก็จะมีชีวิตชีวาและให้พืชผลแท้จริงผู้ซึ่งให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมานั้นก็จะทรงให้ชีวิตแก่คนตายได้อย่างแน่นอนแท้จริงพระองค์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخون ف علينا أَفَمَن يُلْقَى ف ِ ن َ ا ر خَيْرٌ أَمَن أم يَأْتِي أ م ِ ن ِ ي َ ي َ و ْ م َ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ แท้จริงบรรดาผู้บิดเบือนต่อบรรดาองค์การของเราพวกเขาจะไม่ซ่อนเร้นไปจากเราได้ผู้ที่ถูกโยนลงในนรกจะดีกว่าหรือผู้ที่มาอย่างปลอดภัยในวันเกียรมะจงทาตามสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนาเถิดแท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทาอินนั่ลลัลกฟรูบิิกริลัมมาจ แท้ ز ز. จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อข้อตักเตือนคืออัลกุรอานเมื่อได้มีมาอย่างพวกเขาและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นคำภีที่มีอำนาจจดิ้ด ความเท็จากข้างหน้าและจากข้างหลังจะไม่คืบคลานเข้าไปสู่อัลกุร์านได้เพราะถูกประท า, านลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ไม่มีสิ่งใดถูกกล่าวแก่เจ้าเว้นแต่ได้มีการกล่าวขึ้นแล้วแก่บรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าแท้จริงพระผู้บาลของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยทรงลงโทษอย่างเจ็บปดวด และหากว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาต่างชาติ แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าทำไมองค์การทั้งหลายของอัลกุรอานจึงไม่ชัดแจ้งแล้วอัลกุรอานเป็นภาษาต่างชาติและดบีเป็นคนอารับกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลกุรอานนั้นเป็นทางนําที่เที่ยงธรรมและเป็นการบําบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนบรรดาผู้ไม่ศรัทธานั้นอัลกุรอานจะทําให้หูของพวกเขาหนวกและในตาของพวกเขาบอดชนเหล่านี้จะถูกร้องเรียนจากสถาน อและโดยแน่นอนเราได้ประทานคำพีแก่มูซาแต่ได้เกิดมีการขัดแย้งกันขึ้นในนั้น และมากว่าคำกล่าวหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนและแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยจากในคำพินั้น ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทมความชั่วก็จะได้แก่ตัวของพวกเขาเองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิทรงอธรรมต่อปวงบาวของพอยยระองค์ ความรู้แห่งวันอวสานนั้นถูกกล่าวอ้างกลับไปยังพระองค์ไม่มีผลไม้ใดออกมาจากเปลือกของมันและไม่มีหญิงใดอุ้มรันหรือคลอดทารกออกมาเว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ และ ว, วันที่พระองค์ทรงร้องเรียกพวกเขาว่าไหนเล่าพาขีทั้งหลายของข้าพวกเขาจะกล่าวว่าเราขอยืนยันต่อพระองค์ว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเป็นพยานได้และสิ่งที่พวกเขาวิงวอนกราบไหว้ได้ตะเลิดหนีไปจากพวกเขา แลพะพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้ إن ان ير, มนุษย์จะไม่เบื่อหน่ายต่อการวิงวอนขอความดีและเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่พวกเขาเขา้าเขาก็จะท้อถอย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 และเมื่อเราได้เขาลิ้มรสความเมตตาจากเราหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่านี่คือความสามารถของฉันและฉันไม่คิดว่าวันอวสานนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าฉันถูกส่งกลับไปยัง พระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะมีคุณงามความดีหน้าที่พระองค์ดังนั้นเราอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้เห็นในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้และแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษที่รุนแรง ع ع และเมื่อเราได้ให้ความโปรดปรานแก่มนุษย์เขาก็เหินห่างแล้วก็ปลีกตัวออกไปอยู่ข้างๆและเมื่อความทุกข์ประสบแก่เขาเขาก็เป็นผู้วิงวอนขออย่างยืดเยื้อ มมมัันนอลิวาบดจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าปฏิเสธที่จะศรัทธาต่ออัลกุรอานใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่อยู่ในการแตกแยกอย่างลิบับ آ ا และเราได้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเอง จงกระทั่งจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงยังไม่พอเพียงอีกหรือที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งพิ่งรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเขาอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาเพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงล้อมทุกๆสิ่งเอาไว้